มันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งในสังสรารวัตรเนี่ยล่อนเร่ไปเรื่อยๆนะมีบุญของตัวเองเป็นที่พึ่งแล้วบุญทั่วๆ่วไปมันเป็นที่พึ่งได้ชั่วคราวเราภาวนาแล้วมันจะได้ที่พึ่งที่แท้จริงคือพระลักษณะไกลเอาบุญเป็นที่พึ่งไม่ไม่ปลอดภัยจริงถ้าวันใดใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระลักษณะไนะ่ล แต่จะรู้เลยเรามีที่พึ่งจริงๆที่ตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยที่ตรงนี้ไม่มีความทุกขาไปถึงไหนแล้วว่าไปค่ะก็ อ, อตอนนี้เริ่มมัวมัวดูเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเออมัวมัวแ ต, แต่ว่าไอ อ, อาการค้างนี่ก็คือว่าคือบางครับมันไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมคะหลวงพ่อ คือคือหนูสังเกตว่าบางทีที่เวลาเห็นสภาวะทำแล้วบางครั้งเนี่ยคือเห็นแล้วสภาวะมันก็ดับไป<ม>แต่ไอการดับแต่ละครั้งเนี่ยผลมันไม่เหมือนกันบางครั้งดับเราก็ดับดือด้อๆดดทื่อๆแบบนั้น<ม>แต่บางครั้งพอสภาวะดับแล้วรู้สึกเหมือนมันวือดออกมาเหมือนกับ เบาเลุงๆถ้าอย่างนี้เป็นตัวเอาเอาแบบที่สองเนี่ยเป็นตัววัดได้ใช่ไหมคะว่าเรารู้ถูก <ๆ S 2> หรือเรารู้ไม่ถูกหรือใจถึงฐานหรือเปล่าถ้าใจเราหนักๆเนี่ยนะผิดแน่นอนแต่ถ้าเบาๆบเนี่ยอาจจะถูกหรือผิดยังไม่แน่บางทีเบื้อประมาณนั้นจะไปค้างอยู่ในความว่างๆมีความสุขไปอีกก็ได้หลุดไปอยู่อีกข้างหนึ่ง mm hmm. ค่อยๆสังเกตแต่ถ้าหาก เราภาวนาแล้วมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงที่อยู่นานๆนี้ยแสดงว่าต้องไปติดอะไรสักอย่างหนงึ่งรู้รู้ไหมเราจะมีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่มันไม่ค่อยรู้สึ ก, กอะค่ะหลวงพ่อเพรารู้สึกว่าเหมือนกับเวลามีสภาวะมาก็ยังเห็นอยู่บ้างเห็นสิในขณะ ท, ที่ใจเราไปเกาะนิ่งอยู่นี่นะเห็นทุกอย่างเส้นไหวหมดเลยเราลืมดูไอ้ตัวนี้ตัวที่เป็นคนรู้เนี่ยตัวนี้มันนิ่งๆอยู่ ก็อนเน็เส้นใยหมดนะเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ถ้ายังเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่คนนี้มีเห็นอันนี้เที่ยงเห็นหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโยเว้นตัวเองเึื่อกไหมมันไม่ย้อนวิธีมีวิธีทํายังไงให้มันหลุดไหคะหลวงพ่อไม่มีวิธีนะไมมีใช่ไหมคะต้องเห็นอย่างเดียวต้อเห็นเอาเมื่อไหร่รู้ทันเมื่อนั้นก็ไม่ติดเมื่อไรรู้ไม่ทันก็ยังติดไปก่อน แต่ถ้าติดแล้วนิ่งนอนใจรู้สึกตอนนี้ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมีตัณหาเนี่ยค่ะหนูมีปัญหาอ แ, แต่ถ้าวันหนึงเห็นนะค่อยๆสังเกตไปมันทนสติปัญญาเราไม่ได้จุดที่สังเกตดีที่สุดคือตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆพอาตื่นนอนแล้วเราคิดถึงการปฏิบททัติปุ๊ใจเราจะวื้บเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้เลยแล้วเราเห็นตรงเนี้ยตัดไปโอ้ไม่เข้ามาอีกท่านึงยังไม่เข้ามานะยังไม่ติดตรง น, นี้ยังไ่ติดอันอื่นต่อ งั้นสิ่งที่จะช่วยเราแต่ไม่ติดอันนี้ก็ติดอันนี้เหมือนเขาลอยกระทงนะหรือ ก, ก็ติดตรงนี้ต้อไปเขี่ยหน่อยลอยไปหน่อยไปติดตรงโน้น อ, อีกละนี่สิ่งที่จะช่วยเราได้มีสองอันอันหนึ่งครูบาอาจารย์คือกัลยาณนะมิตรบอกให้อีกอันหนึ่งถ้าเราห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตอะอะไรๆก็สู้โยนิโสมนัสิการแนะนะ่สังเกตตัวเองโยนิโสมนัสิการนะ เ, เนีนนะ่เป็นความช่างสังเกต ว่าสิ่งที่มันกําลังปรากฏอย่างนี้มันสอดคล้องหรือมันตัดแย้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างถ้าเราภาวนานแล้วเราเห็นแต่ความสุขล้วนๆเลยมีแต่ความสุขทุกวันเลยใจก็โปร่งโล่งเบาคงที่อยู่ทุกวันทําไมมันเที่ยงเพราะได้กาว่ามันไม่เที่ยงทําไมมันเที่ยงนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดแนละ้วค่อยๆสังเกตเวลาที่สังเกตได้ง่ายที่สุดตอนตื่นนอนค่อยสังเกตตาซุกตา ไม่แห้งแฉะชีน่ยัยยงรู้สึกว่ามันยังติดอยู่รู้สึกไหมจิตมันกระจัดกระจายมันโม่โม่ ว, ม, ว, ม, วมันกระจัดกระจายไปแล้วก็ไปทื่อๆ อ, อยู่ในนั้นเลยมีทั้งทือทั้งกระจายมีไม่ใช่ไม่ในขนาดเดียวกันเนี้ยสภาวะธรรมจํานวนมากเกิดขึ้นนี่ในหนึ่งสภาวะเนี่ยนะในหนึ่งขณะ มันมีสภาวะธรรมจานวนมากเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ตัวไหนตัวไหนมีอิทธิพลมากที่สุดในการบงการจิตใจเราเราต้องรู้ตัวนั้นส่วนใหญ่ตัวที่บงการพฤติกรรมทางใจเราก็คือตัวยินดียินร้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วยินดียินร้ายนะ่ารู้ทันมันก็ปนไปเลยตัวไหนซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าอาธิปฏีปัจจัยอธิบดีอะ ที่บดีนี่มันใหญ่ใช่ไหมแต่เดนี้นักการเมืองใหญ่กว่าหัวคะแนนใหญ่กว่านักการเมืองอีกใช่ไหมงั้นตัวไหนมีอิทธิพลวงการเรานะถ้ารู้ตัวนั้นถ้ารู้ผิดตัวนะเหมือนไปไปตีงูที่หางมันเลยะตีแล้วงูก็ยังแหวงมาเล่นงานเราได้ถ้ารู้ถูกตัวนะเพาะเดียวจอดเลยแต่ว่าทํายังไงจะรู้ได้ถูกตัวช่วยไม่ได้แล้วอันเนี้ย ต้องอยู่ที่ทักษะของเราเองถ้าเรายารังรู้ตัวที่มีอิทธิพลมากที่สุดไม่ได้รู้ตัวไหนได้ก็รู้ตัวนั้นแหละตัวไหนเด่นอยู่ก็รู้ตัวนั้นแะแต่ตัวที่เด่นอยู่อาจจะมีตัวที่อยู่เบื้องหลังบงการมันอยู่อีกทีหนึ่งเราก็ไม่ต้องค้นคว้าหรอกแค่ฟังเล่นๆนะในใจมันจะค้นออกมันเองเราไม่ต้องไปค้นนะหลวงพ่อพูดธรรมให้ฝังนะเพื่อวันนึงใจมันจะไปค้นคว้าของมันเองเราไม่ต้องไปคนนน้นแทนมัน หงพ่ อ, อยังแต่ก่อนที่ตอนที่ตุกติดอยู่กับซึมๆเนี้ยค่ะคือเบื้องหลังตอนนั้นเนี่ยมันมีประคองอยู่ด้วยหรือเปล่าคะใช่ใชแต่ไม่เห็นใช่ไ้ยคะไม่เห็นสฉดถ้าเห็นก็ไม่ติดสิสิมั้ยเป็นสูตรเลยนะ <c oughs> แต่ตอนนั้นนี่คือตัวซึมมันเป็นตัวที่บงการพฤติกรรมใช่ไหมคะไม่ใช่อะตัวโทรศัพท์เราไม่พอใจ น, น้่นไม่พอใจนี้แล้วเลยหลบไป มันเลยหลบแล้วเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้สังเกตนแมมันจะขี้โมโหแล้วมันจะกดไว้กดไว้มันเลยไปออกซึมๆไปมันไปน้อมใจให้นิ่งๆไปดูไปเอาเบอร์แปดสิบสี่ลงกันบ้านอีกปีแล้ววันนี้อีกขวบอีกขวบเจ็ดแล้วเหรอโอ้เจ็ดขวบใช้ได้แล้ว ถ้าอาหาัรเจ็ดขวบมีนะดูใจออกบ้างอย่างเขินรู้สึกไม่เขินไม่อยากฟังลนะ้จะฟังแต่พ่อพ่อเป็นศรณะานละเ <c oughs> อาให้พ่อก็แล้วกันเดี๋ยวกลัวมากวันหลังเขดไม่กล้ามาวัด จงเขาชอบเล่นกับผมนะตอนนี้กเขาขาที่แล้วมาหาหลมพ่อเนี่ยเขาก็จะกลับไปนี่เขาก็จะถามรู้ตัวอยู่หรือเปล่าจะชอบเล่นอย่างนี้กับผมนะเรวครั้งแรกนี้เขาถามผมร้อยครั้งผมคงเผลอสักร้อยครั้งอ่ะเพรนตอนนี้ก็เลยเล่นกับเขาแบบนี้ฮ อ, อดครับเขาก็ถามผมบอกว่าแล้วเวลารู้ตัวเฉยๆเนี่ยรู้อะไรหลวงพ่อช่วยบอกเขาหน่อยนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรรู้ ต, <ง>ตัวก็รู้ตัวสิไปรู้อะไร <c oughs> ถ้ารู้อะไรก็ไม่ใช่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวแล้วเนี่ยต้องรู้กายต้องรู้ใจถึงเดินปัญญาต่อเพราะฉะนั mm hmm. ้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนั่นกไ็ได้จุดตั้งต้นอของการปฏิบัติเั้นตอนที่เราเผ ล, อ, เลอไปเรารู้ว่าเผลอทุกแต่เราตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นเนี่ยมันจะต้องเดินปัญญาถ้าจิตมันมีปัญญาขึ้นมามันจะเห็นจิตเมื่อกี้เผลอตรงนี้ตั้งมั่นอะไรเงี้ยจิตนี้เปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเรื่อยๆ ต้องเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักถ้าไม่เห็นกายเห็นใจแสดงใจรักไม่เรียกว่าปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นปฏิปูลเห็นร่างกายเป็นปฏิปู้นสุภาอะไรไม่ใช่ปัญญาถ้าเห็นเป็นใจรักนี่เป็นปัญญาดังนั้นเราไม่ใช่ว่ารู้ตัวแล้วก็รู้ตัวเฉยๆรู้ตัวเพื่อจะรู้ตัวไม่ใช่รู้ตัวเพื่อว่าจะสามารถรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราเผลอเราก็ไม่รู้กายรู้ใจเนี่ย ถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาเราก็จะได้รู้กายรู้ใจจะได้เห็นความจริงของกายของใจเดินสัญญาต่อไปได้ดฉะนั้นการรู้ตัวเป็นจุดตั้งต้นนะสัจคติจากนั้นก็ต้องรู้กายรู้ใจหลวงพ่อเตียนบอกว่าถ้าใครรู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติจะรู้ตัวขึ้นมาแล้วท่านก็สอนต่อบอกว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตบางคนนึกว่าหลวงพ่อเตียนให้ดูมือ ไปดูมือนะมือไปดูมันทำไมสุดท้ายแล้วก็ต้องมารู้กายรู้ใจจะถามว่าอันไหนรัดสั้นไม่มีหรอกทางใครทางมันคนนี้รู้กายแล้วก็บรรลุไปคนนี้รู้เวทนาแล้วบรรลุคนนี้รู้จิตแล้วบรรลุไปแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพระนนทนะบรรลุพระอรหันทรู้กายพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันทรู้เวทนา ถาโ น, นรุดมัรู้พระอรหันต์เขารู้จิตเลยงั้นไม่ใช่ว่ามีหลักสูตรสําเร็จรูปว่าต้องดูจิตเท่านั้นงั้นเรียนที่หลวงพ่อไม่มีหลักสูตรสําเร็จรูปนะหลวงพ่อสอนแค่ว่าค่อยๆฟังทําไปหารู้สภาวะไปเรื่อยๆบร น, นึุสติเกิดขึ้นมาพอสติเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้เวทนาเดี๋ยวมันก็รู้จิตเราเลือกไม่ได้หรอกในความเป็นจริงเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกจะกายเปการนั่งทิง้ง จะรู้กายอย่างเดียวจะรู้แต่เดินรงกลมรู้แต่เท้าอย่างเดียวรู้แต่ท้องอย่างเดียวรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวรู้แต่ยี้มิยาบทสี่อย่างเดียวอันนี้จะกลายเป็นการเที่ยงทั้งหมดเลยแต่ถ้าสติเกิดเองนะมันเดี๋ยวจะพลิกไปพลิกมาแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดับทั้งสิ้นนั้นตอนเป็นพระโสดาบันนะไม่ใช่รู้ว่ากายเกิดแล้วกายดับเวทนาเกิดแล้วเวทนาดับจิตเกิดแล้วจิตดับไม่ใช่ พะโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งหรอกรู้หมดเลยแล้วแต่ว่าสติจะไปะราลึกรู้อะไรมีอะไรไหมอขอขอทงอนบ้านที่หนึ่งครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกผมติดสร้างพพใช่ไหมคฮะก็จริงๆทุกคนติดนะทุกคนสร้าง น, นะก็ ครที่หลวงพ่อบอกผมก็เห็นบางครั้งวันนั้นนั่งประชุมอยู่นะฮะนั่งนั่งอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็รู้ตัวว่าเอ๊ะนี่เราเรานั่งเรากําลังยึดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะแล้วมันก็หลุดออกมาประมาณสี่ครั้งมันก็หลุด ม, มาเพราะมันก็ป่องโล่งเบาสบายขึ้นมาฮะและ้วน<ล>ั่นแหละและ้วเสร็จ๊บเนี่ยหลังๆเนี่ยมันรู้สึกกิเลสมันเยอะมากเลยหลวงพ่อจิตมันรู้สึกโอ้โหมันมันอย่างที่เคยข่าส่งการบ้านขาที่แล้วครับว่ามันภาวนาได้ปรานีนะครับหลวงพ่อ รู้สึกว่าเห็นจิตตัวเองเนี่ยตอนนี้มันมันมันมันทำงานเยอะแล้วเห็นกีเละเยอะมากเห็นแล้วมันกมันกลัวตัวเองบางครั้งอย่างที่หลวงพ่อพูดอะครับว่าว่ว่าว่ามันมันมันมันไม่น่าเชื่อเลยนี่เราเรียนรู้ตัวเองนะแล้วเพราะว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดเราเรียนรู้เราปักเปลือกตัวเองออกเราไปสร้างภาพขึ้นมาให้ดูดีๆขั้นแรกเลยเราหลอกตัวเองก่อนว่าเราดี เสร็จแล้วเราก็อยากให้เนอื่นเชื่ออย่างนี้ด้วยก็วางความให้เขาเชื่อแต่พอเรารู้ทันจิตตัวเองไปด้วยนะสับไปมันหลอกลวงเราไม่ได้แต่มันก็ยังติดอยู่ฮะหลงธรรมดานะไม่ต่ดต้องเป็นบารละหันมันมันมันอย่างอย่างที่บอกหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อปุ๊บมันคิดคิดปุ๊บมันจะเปรียบเทียบสิ่งที่หลวงพ่อพูดทันทีมันได้คว้ามาคิดวิจัยทันทีนแล้วมันก็มันก็จะแข็งอัดนของคุณดูตรงนี้เลยว่าจิตเนี้ยมันทํางานได้เอง แม้มันไปฟ้ามาคิดที่จรนาเปรียบเทียบมันทำงานเองดูไปอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยเห็นมันทำงานได้ด้วยตัวของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองเป็นอิสระจากเรานะจี่จะเห็นความจริงเพราะฉนั้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าไม่ไม่ให้มันหนีไปไม่ใช่เพื่อไม่ให้มันไปศึกษาเปรียบเทียบไม่ใช่ ดูไปจะเห็ุนั้นมันทํางานได้เองของผมให้ดูตัวนี้เยอะๆใช่ไหมฮะครับใช่แล้วอย่างจุดอื่นยังมีการบ้านเขาอื่นที่หลวงพ่อจะต้องจริงๆแล้วของคุณเป็นพวกปัญญาแกะกล้านะคุณจะดูตัวอนัตตาการบังคับไม่ได้มันดูไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์อาจารย์มีโผลอะไรเยอะแยะจดมาถามหรือเปล่าไม่มีเพิ่ง่จดมาถามเท่านี้แล้วก็ไม่ใช่เลย เออก็เข้าใจว่าวันนี้วันนี้มันง่วงๆนอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่เท่าไหร่แตเดาเอาว่ามันน่าจะสึมแต่ว่าดูไม่ออกซึมไม่เป็นไรนะตัวที่มีปัญหาของอาจารย์เนี่ยคือตัวที่ไปประคองไว้อย่างประคองไม่เลิกประคองไว้ด้วยเหรอครับเนี่ยก็คือว่ามันใจเราขนาดนี้มันไม่เหมือนคนทั่วๆั่วไปนึกออกไหมใจของคนทั่วๆ่วไปนะั่นหลุกหลุดหลุกหลุดไปเรื่อยเลยใจของเราเราไปประคองไว้ให้มันเรียบร้อย เป็นอาจารย์มันต้องดูเรียบร้อยใช่ไหมไปดูนะดูไปจนกรสร้างตัวแท้ๆมันโผล่มาก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกที่หลวงพ่อบอกเมื่อวานว่ามันรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายเนี่ยคือคือมันสังเกตจิตใจตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ได้เบื่อหน่ายแบบว่ามีโทสะติดที่ปลายจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เบื่อหน่ายแต่ว่าแห่งโลกร้อนขึ้นไปแต่แต่มันทานองแบบว่า มันฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้มามองไปหี่โน้ว่านี่ก็ไม่น่าสนใจน่ น, นะนรู้สึกไม่โล่งนี้จืดชืดมันยังไม่จืดขนาดแบบว่าแห้งสนิทแต่ว่านะมันมันแค่แบอกว่ามันไม่น่าสนใจนั่นแหละต้องดูไปอีกจนมันแห้งสนิทนะครับต่พระพุทธเจ้าถึงสอนกันบอกว่ามีบุคคลหลายประเภทบุคคลชนิดหนึ่งนะเหมือนไม้สดๆแช่น้าอยู่ บุกคนชนิดหนึ่งเป็นไม้สดแต่ว่ายกออกมาจากน้ําแล้วบุกคนชนิดหนึ่งเป็นไม้แห้งอยู่พ้นน้ําขึ้นมาเราจะภาวนาจนทั่งอย่างในใจที่แห้งไปเรื่อยเป็นแห้งสนิทเลยใจิตใจที่แห้งสนิทแล้วเนี่ยนะใกล้เคียงพร้อมที่จะบรรลุแล้วสมควรในการบรรลุธรรมครับนะอ๋อแล้วก็อีกคําถามนะครับผมพอคือที่เริ่มพุโทโธเมื่อวานนะครับคือผมพอจะสังเกตตัวเองว่าถ้าผมทําพุโทโธ มันจะคล้ายๆกับเดินจงกรมตรงที่ว่าถ้าเกิดเราทําให้มันเป็นคุกขังจิตเนี่ยอแล้วอย่างามันเป็นคุกที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่คือเราจะรู้แบบว่ารู้พุทโธอยู่ตลอดตลอดแต่จะรู้ว่าจิตหนีไปคิดแต่ว่าถ้าเกิดรู้พุทโธแบบเล่นๆธรรมดาเนี่ยเวลาจิตหนีไปคิดปุ๊บพุทโธจะหายแบบว่าหายไปสนิทเลยแล้วเราค่อยมารู้ต้องเป็นอย่างหลังใช่ไหมครับถึงจะถูกต้องเพื่อรู้ไปส บ, ส, บสบายนะแต<บ>่ว่า ไ, ไ, ไม่ใช่แบบอนาถาจนไม่มีพลังเลยนะ มันก็ต้องมีขอบเขตมีบ้านบ้านก็มีขอบเขตไม่ใช่ว่าบ้านไม่มีขอบเขตไม่ใช่ปล่อยแบบไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรเลยพอมันหนีไปเลยไม่รู้ถ้าหนีแล้วไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได้ที่รเราหาัดพุทธตัวเพื่อจะรู้ว่ามันหนคีครับครับแล้วดูวัตถุประสงค์นี้นเราหลวงพอมีอะไรจะแ น, นะนำเนตแล้วนะเนตไปฝึกแล้วนะครับขอ บ, บ, บคุณมากครับ จิตมันมีกำลังมากท่านบบหนึ่งอาจารย์เผลอไปแล้วอาจารย์รู้สึกไหมใจตรงนี้โล่งกว่าตะกี้ตรงนี้คือใจที่รู้ตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยใจที่เป็นปกติธรรมดามีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยคือจิตที่รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นะอย่าต่กี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ละื่ อ, ออกไหมดูออกวยังแคบ อ, อมันคแคบๆได้เออมันจะมีกรอบ เป็นสุกขังเนี่ยทำจิดมันมีกําลังแล้วมันก็เมื่อกี้มันฟุ้งๆไปหน่อยค่ะแล้วก็มันมันทําเข้มอะค่ะตอนนี้มันกดๆนิดนึงว่ากดๆอยู่เมื่อกี้ที่นั่งอยู่เหมือนกับจิดมันจะตั้งบ้านกว่านี้อืมตอนนี้ไปกินข้าวเห็นไหมเลือดมันย้ายไปอยู่ที่กระเพาะเยอะเลยเออแล้วก็จะเบลอๆไปนิดนึง แล้วก็พักนี้เหมือนกับที่ยังคืออย่างเมื่อาวานนี้หรือว่าวันนี้จะเห็นส่วนมากสภาวะที่เห็นคือสภาวะที่มันเกิดดับเห็นเกิดดับบ่อยแล้วก็มีแล้วไม่แน่ใจว่าบางทีที่รัตนเห็นเกิดดับอ่ะบางทีแล้วรู้สึกว่าเป็นมีการน้อมนําบางครั้งน้อมนําให้มันไปเห็นด้วยใช่ไหมคะเบื้องต้นเจะน้อมนําไปก่อนก็ได้ด้วยว่ามีตัณหา อ, อาศัยตัณหานะเพื่อละตัณหา จงใจไปดูนิดนึงก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยความจงใจออกไปเก่งอย่เที่ยวไปหาอย่าไปเปิดไรเปิดไรแล้วแล้วก็ที่หลวงพ่อบอกว่าอที่เราดูโทสะค่ะให้มันขึ้นมาค่ะแล้วที่เราไปไม่พอใจมันเพราะว่าเราอยากจะเอาไปผักไปผักมันต่อไปเนี่ยอแล้วเหมือนกับว่าพอละตูเนี่ยคือให้มันขึ้นมาก็จริงอะแล้วบัน มีความไม่พอใจอะแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นวัตถุร้อนๆอย่างนี้ยค่ะัเนเหลสจะร้อนถูกต้องแล้วมันเผา ม, มันเผาเคยได้ยินไหมว่าโทสักกีนาไฟคือโทสะร้อนนะร้อกิเลสมันร้อนจริงๆแล้วที่ถ้าเราเห็นองนี้ยแล้วก็ต้องดูมันไปเอ่ะเพราะว่าหรือว่าทิ้งมันไม่ได้ให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางในขณะนั้นใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลาง ให้ดูตัวไม่พอใจใช่ใช่ไม่ได้ไปดูตัวที่เราไปโกรธหรือโทสะตรงนั้นโทสะตัวแรกเป็นอดีตแล้วความไม่พอใจในโทสะเนี่ยเป็นปัจจุบันดูปัจจุบันตรงนี้นี่เราไปดูอดีตตัวจริงๆที่เราทุกข์คือพอเราทุกข์เพราะความไม่พอใจตรงนั้นเพราะงั้นเวลาที่เราไปเห็นสภาวะนะสภาวะนั้นจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้ แต่เมื่อเราไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยจิตเกิ ด, ด, ด, ด, ดยินดียินร้ายขึ้นมาต้องรู้ทันเลยถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสจะครอบงาเมาละแต่ถ้ารู้ทันจิตก็จะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานสังเกตไหมว่าหลวงพ่อพูดเหมือนกันทุกวันตอบแต่ละคนก็เหมือนเหมือนกันแต่ทําไมคําตอบนี้ไม่เข้าไปสู่ใจเราพอเราไปเจอเกิเลสมันพลิกแปลงนิดเดียวนะั้นเราจะงงละ ถ้าเราไปติดอยู่กับกระบวนท่าของกิเลสมากไปเราลืมหลักไปกิเลสทุกตัวนะั้นมันหลอกให้เราเริ่มรู้สึกตัวอย่าไปค้นคว้ามันสิรู้ไปไม่งั้นหลงเออไปแล้วะต่รายงานหลวงพ่อว่าเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูความอยากที่เราอยากได้ม า, <น>มาเรียนกันทุกวันเลยเหรอพ <laughs> ักอยู่ที่บางคาค่ะ<อ>ช่วงนี้มีคนเข้ามาต่อว่าหลวงพ่อนะ บอกว่าฟัง c ีดีน้วมีแต่เสียงซ้ำๆอยู่ยเงี้ยพวกนี้มาเช้านะเจาข้างหน้าหมดทุกวันเลยคนอื่นก็ไม่ได้ถามสักทีแล้วบางคนก็ตื่นเต้นพอได้ยินเสียงคนนี้นะหันนี่บอกอ๋อคนนี้เองอ่ะเลยกลายเป็นตื่นเต้นเหมือนเจอดาราอว่างไงค่ะก็เลยกลับไปดูที่เราที่เราเหมือนกับว่าอยากได้สภาวะบางสภาวะค่ะ ก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เพรเมื่อกี้คุณหงพ่อพูดถึงหลักก็เหมือนกับว่าพอเราภาวนาไปนานๆเราก็ลืมหลักตรงนี้ไปใช่เราจะลืมลืมไปเราจะลืมในหลักจริงๆก็คือมีสตินะรู้กายรู้ใจตรงเป็นปัจจุบันด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายหลักมีเท่นั้นะสภาวะอะไรก็มีค่าเท่าเทียมกันเหมือนกันหมดเลย<อ>ใช่ แต่ว่าเวลาเราเจอจริงนะสภาวะไม่เคยเท่าเทียมกันเลยมัน <ะ S 2> ลืมลืม<ล>จริงๆแต่ตอนนี้แล้วลืมเ ล, ล, ลยมวดวจะไปจดจ้องใส่ตัวสภาวะนะแทนที่จะรู้ทันจิตที่กําลังยินดีินร้ายนั้นที่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตอ่ะไม่ใช่ให้ไปดูอะไรหรอกนะพอเวลาเราไปรู้สภาวะแล้วจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันตัวนี้หรื อ, อยังเราไปอยู่กับความว่างจิตไหลไปอยู่ที่ความว่างส่งจิตไปอยู่ในความว่างเราเห็นการส่งจิตไปนี่เรียกว่ารู้ทันจิตตัวเอง นั้นถ้าเรียนลงมาถึงจิตนั้นมันจะหมดความปรุงแต่งไปถ้ารู้ไม่ทันก็ไปปรุงแต่งโน้นนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ๆจะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนั้นทําไม่ได้ก็ต้องรู้นอกๆไปก่อนแต่ว่าพอรู้นอกๆล้วชอบไปแช่ค้างไว้ตรงนั้นไม่ยอมดูจิตหรือใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติเราเห็นเทวดามาเทวดามาขอฟังเทศตอนกลางคืนพอเห็นเทวดาปุ๊บเนี่ยถ้าใจสงสัย ว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเนี่ยไปนค้นหาเหตุผลแล้วว่านี่มันจริงหรือปลอมเป็นนิมิตหรือว่าเป็นเทวดาจริงจริงนี่ไร้สาระที่สุดเลยแต่ถ้าใจเกิดสงสัยรู้ว่าสงสัยอย่างนี้ถึงเรื่องว่าดูจิตตัวเองนะจิตใจมันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นสดๆร้อนๆรู้ตรงนั้นนลยดีวันนี้ภาวนาเก่งกว่าเมื่อวานแล้วขอบคุณค่ะ หลวงพ่อค่ะถ้าเกิดสภาวะอย่างถ้ามันม้วนเข้าไปหรือว่ามันกระจายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้อะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเวลาที่เกิดสภาวะพอต่อจากนั้นเราก็จะเห็นเห็นว่ามันบังคับไม่ได้หรือว่าเห็นว่ามันเกิดแต่ว่าอาจจะไม่เห็นว่ามันดับหรือว่าเห็นว่ามันดับบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มันก็เรียนรู้ว่าไม่เที่ยงอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไ ม, อไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าอย่างนี้เราจะเอาตัวรอดกลับไปถึงบ้านไหมอะคะถึงสี่ก่อนมันจะทำนิัสานาแท้ๆได้มันก็ต้องเดินตรงนี้ก่อนคือนะ ท, ทีแรกเราไม่สามารถเห็นสภาวธรรมแสดงไตรลักษณ์ตรงๆได้เราจะเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบตะกี้กับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันตะกี้กับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนี่แสดงว่าไม่เที่ยงนะ เอ๊ะมันเป็นอย่างงาู้นมันเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้นะ เ, นเจื่อด้วยการคิดลงไปการที่เราคิดถึงใจรักนะด้วยการเสียบเทียบอะไรเนี่ยมันเป็นสมะส น, าานัยญาไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาแท้ๆแต่ว่าเป็นตันต้นทางของการทํำวิปัสสนานะมันคิดพิจารณากั น, นต่อไปจิตมันจะไปเห็นเองตรงที่จิตมันเห็นเองโดยไม่ได้จงใจจะเห็นนะดั่งตื่นใจแล้วตรงนั้นไม่ยาวละมันยากลําบากก็ตอนต้นๆ น, นี่แหลยนะยิ่งภาวนาจะยิ่งง่าย เหมือนที่แรกอยู่ในป่ารกทึบแล้วเต็มไปได้วยหนา ม, มเดินละมืดตืดต้อเลยต้นไม้ทึบมากมองไม่เห็นแสงแดดมีแต่หอยทากนะไม่ใช่หอยทากนะทากเฉยๆน่ากลัวกว่าหอยทากนะรูปนะตัดต่างๆอะไรเยอะแยะแต่ละก้าวไปนน้ํานะบาดเจ็บไปเรื่อยๆแต่ยิ่งยาวนาไปยิ่งเดินไปนะคล้ายๆป่ามันโปลูกไปเรื่อยๆยิ่งาายาวนาได้ยิ่งสบายยากที่สุดตอนที่จะขึ้นต้นทางให้ได้นี่แหละ เส้นทางของการปฏิบัติจริงๆนั้นก็คือเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจได้ลงปัจจุบันได้รู้อย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นไปยากยากที่จะมาตรงนี้อาศัยว่าฟังทำไปล้มลุกลุกลานไปทําผิดทําถูกไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็เจือด้วยการคิดห้ามไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นหลยต่อไปก็ไม่ได้คิดเอาแต่ไปเห็นจริงๆตอนเนี้ปัญหาของคุณนะยังบังคับอยู่รู้สึกไหม นั่นแหละการหาดูตรงนี้ไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นหรอกวันหลังต้องเปลี่ยนวิธีเนาะให้ข้างหลังพูดก่อนดีไหม <c oughs> ในซีดีจะได้มีเสียงแตกๆบ้าง <c oughs> มีคนเลยมาตั้งข้อสงสัยเอ๊ะไม่นึกว่าวัดหลวงพอคนเดียวนี้นึกว่ามีอยู่ไม่กี่คนแล้ว <c oughs> <c oughs> ฟังดีเลรเสียงเดิมนะชื่อเดิมเสียงเดิมครับ <c oughs> ก็มันก็พุ่งพุ่งซานเยอะครับก็ันกดด้วยนะรู้สึกไหมตอนเนี้ยเราพูดนะเสียงเราเนี้ยหลอกกความเป็นจริงครับดูออกไหมครับดูออกครับเออเนี่ยดูออกก็รืดออกมาเลยนะแล้วเราสร้างขึ้นมาครับเราสร้างขึ้นเพื่อให้ดูดีดูสุขภาพนุ่มนวลครับดีรืดออกมานะ้วหลวงพ่อ ถ้าสมมุติว่าคือแต่เดิมที่ฝึกเนี่ยค่ะก็จะตามลมหายใจแล้วก็จะรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันก็นิ่งแล้วก็วกพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าฝึกอีกินก็คือถ้าให้ตามจิตเนี่ยมันคือตามความคิดเนี่ยมันจะฟุ้งแล้วมันจะไม่ทันแล้วมันก็จะแบบมันจะมึนแล้วมันจะปวดหัวดหายใจไปอย่าเลิกหายใจนะหายใจทุกวันทุกวันหายใจเรื่อย <S <S <S <S หายใจไปแล้วก็จิตใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบพอสงบไปช่วงหนึ่งเห็นไหมมันจะฟุ้งซ่านอีกแล้วก็รู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านอารมณหายใจเป็นฐานไหมแต่อย่าไปน้อมใจให้ซึมแต่ถ้าตามจิตแล้วมันจะจะไปไงไม่ไม่เราไม่ตามจิตเนี่ยมันมีหน้าที่ไปอยู่แล้วจะตามจะไม่ตามมันก็มีหน้าที่ไปนั้นเราหายใจไปคุณอารมณ์หายใจเป็นฐานไหมหายใจแล้วสังเกตไหมใจชอบหนีไปคิด หายใจแล้วจิตนี้พิคิดรู้ทันว่าจิตนี้พิคิดหายใจแล้วจิตซึมซึมรู้ว่าจิตซึมซึมหายใจแล้วมีปีติมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นรู้ว่ามีปีติรู้ว่าสุครู้ว่าสงบหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนฝึกอย่างนี้นะทางใครทางมันไม่จําเป็นต้องเรียนแบบใครแล้วแล้วถ้าถ้าจิตสงบแล้วไม่ไม่ไปไหนถ้าสมมติเขาตามลมหายใจอย่างเดียวนี่ แ้วสงบไปรู้ว่าจิตสงบพอใจรู้ว่าพอใจมันจะพอใจรู้สึกไหมวันนี้ภาวนาแล้วสงบก็พอใจวันนี้ภาวนาแล้วฟุ้งซ่านไม่พอใจี่ยแฉมรู้พอใจไม่พอใจเขาอีกอันแล้วเราก็แล้วไปไหนต่อค่ะหายใจไปไม่ไปไหนเลยแล้วแล้วจะมีบางช่วงที่ถ้าตามลมหายใจแล้วมันจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันบื้แล้วอแล้วมันจะแบบ ค้ายๆมันจะหล่นลงไปแล้วมันจะเหมือนกับมันไปเรื่อยๆ เ, ออเหมือนกับเข้าอยู่อย่างเดียวลยเลยใจมันไม่เข้าว่ามันแต่ม<ต>ันจะอึดอะดนะคะอืดอัดแล้วใจเราไม่ชอบไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจให้ให้รู้ตรงที่พอใจไม่พอใจนี่แหละแล้วแล้วต้องแล้วก็รู้แค่นั้นแล้วก็ไม่ไพยายามจะถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรหลวงพ่อบอกว่าจิตใจเรากําลังเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างไง ไม่ได้ให้ไปทําอะไรงั้นคุณเคยหายใจคุณก็หายใจไปหายใจแล้วใจบึ้บบึ้บรู้ว่าบึบบึ้บบบแล้วเราอึดอัดแล้วเราพยายามฝืนมันมันจริงปล่อยให้บึบลงไปเลยลงไปนอนอยู่ข้างล่างแค่นั้นพักผ่อนเนี่ยมันมีแรงมันก็ขึ้นมาเอางตอนที่จิตรวมทีแรกก็ยังไม่ชํานาญนะมันหล่นบูบๆอย่างไรแต่ต่อไปชานาญแล้วมันจะลงนิ่มนวลเหมือนนักบินนะนักบินมือไม่ถึงนะลงแล้วยังกระเด้งสองสมทีให้คนโดยสารหัวใจตื่นเต้น เราลงเก่งๆก็ลงไปทีเดียวเหมือนกันเลยเวลาที่จิตจะรวมยังไม่ชนานํานาญเนี่ยหลดตุ๊บลงไปหวาดเสียวพ <c oughs> อเพื่ไปฝืนฝืนนะจิตมันจะรวมแล้วไปฝืนมันจะปวดหัว <c oughs> เพราะฉั้นถ้าจิตมันจะรวมเอย่าไปฝืนถ้าฝืนแล้วปวดหัวปล่อยให้มันรวมไปพอมันรวมแล้วก็อย่าไปนึกว่ารวมพอสมควรเล้ขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้ก็ปวดหัวอีกนะให้มันขึ้นของมันเองถ้ามันขึ้นมามันรวมก็รวมเองขึ้นทุ๊ขึ้นเองเรามีหน้าที่ตามรูไ้ไปเรื่อย ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้สงบตอนนี้เริ่มสายไปสายมาแล้วไม่สงบรู้ว่าจิตไม่สงบเนี่ยดูจิตอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปเที่ยวหาอะไรมาดูหายใจไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจของเราไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วจำไหมเนี่ยหัดรู้อย่างเนี้ยไม่เห็นจะปวดหัวเลยที่ปวดหัวเพราะไปฝืนจิตมันจะรวมกทบน้ัสกรงสค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะขอการกลับเรียนถามถามประเด็นสค่ะ คือเคยได้ยินคาว่าดูจิตมาหลายปีแล้วค่ะก็สงสัยว่าจิตมันอยู่ตรงไหนให้ไปดูอะไรอืมแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ดูเจ้าค่ะแล้วก็มาเมื่อวันที่สิบได้ซีดีของหลวงพ่อจากจากเพื่อนเนอะ ก, ก็ก็ฟังแล้วก็เข้าใจก็เลยคิดย้อนกลับไปวันที่ผ่านมาเราเราก็ทําได้แล้วก็ทำํำในสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะถูกสิหลายคนนะภาวนาไปพอภาวนาเป็นนะจะพบเลยว่าเอ๊ะอันนี้เคยเป็นมาแล้วแต่ลืมไปซะตั้งนานเลยลืมไปเป็นชาติชาติเลยนะจริงีๆตอนเด็กๆอะ ควารู้สึกอย่างนี้เคยเกิดมาแล้ ว, นะอวพอโตขึ้นมาคิดมากคิดว่าการปฏิบัติต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นมันเลยหายไปพอมาหากรู้สึกขึ้นมานะั้นมันกลับมาอีกใช้ได้ดูไปค่ะอ่าข้อที่สองค่ะคือตอนนี้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ให้นั่งจนเห็นทุกข์ให้นั่ง<ม>จนเจ็บให้นั่งออกจะได้กายกระสิทมันจะได้ยากที่ น, นี่นั่งแล้วมันทนไม่ได้ก็พยายามจะกาเบียนถามนั่นบอกหลวงปู่ไม่ต้องไม่ต้อง เจ็ไม่ต้องคุกไม่ได้หละเจ้าค่ะแบบน่าจะมีวิธีอื่นใจก็คิดตลอดว่านัาจะมีทางอื่นไม่ต้องไปผ่านทุก เ, เวทนาแต่ท่านก็ยังบอกว่าต้องผ่านเพื่อให้เราได้ให้สิทธิ์กับกับกายมันแยกจากกักนะนะครับคือครูบาจารย์ท่านผ่านมาทางนั้นท่านก็สอนอย่างนั้นถ้าหากศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนมะหรือว่าเราศึกษากับครูบาอจารย์จำนวนมากเราจะพบว่าทางใครทางมันการที่จะแยกเวทนาเนี่ย จากการข้ามเวทนาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราจะนั่งไปแล้วทนเวทนานะัากก้นึงกระทั่งจิตเราเข้มแข็งนะเห็นปุ๊บเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ใจเราเป็นกลางต่อความปุ๊บนี่เป็นการเจริญเวทนานุปัสนาถ้าเราจะเจริญกายานุปัสนาเรานั่งอยู่เนี่ยมันปวดมันเมื่อยเราเปลี่ยนอิดิยาบทไปเราก็จะเห็นว่ารูปเนี้ยเมื่อกี้นั่งตอนนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินรูปนี้ไม่คงที่ แล้เราเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะเราไม่ได้ดูเวทนาเป็นหลักถ้าหากเราดูจิตเรานั่งไปจิตมันปวดเอทขามันปวดขึ้นมาจิตกระสับกระสายรู้ว่ากระสับกระสายเราลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถความปวดเมื่อยหายไปจิตมีความสุขจิตมีความพอใจรู้ว่าจิตพอใจนี่ก็ฝึกอย่างนี้ก็ได้มีหลายทางนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราจะฝึกเวทนานุปัฏนานะต้องสู้ตายสู้ตายหมายถึงว่าถ้าจะตายก็ตาย อยากพิการก็พิการหาจะเดินไม่ได้อีกแล้วก็ให้มันเดินไม่ได้ไปขอเอาความจริงอย่างเดียวดูซิเวทนาเนี่ยแต่ร่างกายเนี่ยมนันเดียวกันไหมเวทนากับจิตนี่มั น, นเดียวกันไหมค่อยดูไปแต่มันมีวิธีที่ทางรับขี่โกงหน่อยอย่าไปบอกหลวงปูนะ <c oughs> เดี๋ยวท่านว่าหลวงพ่อแอบเฉลยข้อสอบคุณสังเกตดูสิมันมีแต่ผู้รู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้คุณหัดแยกตัวนี้ไปเรื่อย อย่งความโกรดเกิดขึ้นใช่ไหมความโกรธถูกรู้จิตผู้รู้อยู่สังหารร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยของถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหานะความสุขความทุกข์ในใจเราเนี่ยเป็นของถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้อยู่ตสังหารถ้าคุณแยกเอาตัวรู้ออกมาได้เนี่ยนะเวลาคุณนั่งคุณจะเห็นทันทีเลยร่างกายก็ส่วนหนึง่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็อีกส่วนหนึ่งจะแยกกันเองเลยนี่เป็นวิธีขี้โกงนะคล้ายๆอะไรนะ วิธีคิดเลขแบบรัดๆอ่ะเคยทดลองคือเจ็บแล้วก็พยายามดูว่ามันเจ็บมันมันไม่ใช่กายเจ็บใจจแต่ว่ามันมันก็ไม่ผ่าแล้วมันก็หมดกําลังใจเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายผิดเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะนั่งให้หายเจ็บตั้งผิดละคนที่เจริญเวทนาเนี่ยไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายเจ็บนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นเลยว่าเวทนาก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการบังคับของเรา ไม่ใช่จะเอาชนะเวทนาการฝึกเอาชนะเวทนาเจ็บปวดทนดูไปเรื่อยๆนะั้นมันได้ความเข้มแข็งนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ปัญญาแทๆ้ๆมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูเก่งงั้นตั้งก้าวผิดถ้าตั้งเก้าวผิดก็ต้องเดินผิดแหละอย่างจะไปเชียงใหม่นะแล้วก็อยู่สีราชาเนี่ยจะไปเชียงใหม่แต่เดินไปทางตะวันออกเนี่ยมันจะไปเจอพนมเป็น เป้าหมายของการปฏิบัติต้องถูกต้องเรารู้เวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นเกณฑ์ไหมความปวดไม่เคยคงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาสลับไปเรื่อยๆแต่เราอยากให้หายแล้วเราทําด้วยโลภะนะทําด้วยกิเลสดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติทําด้วยกิเลสเนี่ยใจเราไม่สมควรที่จะรองรับธรรมะชั้นสูงขึ้นไปแล้วดงนั้นอย่าไปภาวนาเพื่อให้หายปวดแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่า ความปวดนี่เป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้ไปดูผิด<อ>ที่ <ขอ S 1> <อ>ก็ใช้ไม่ได้ข้องั้นก็ค่ะเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะคะก็เป็นคนโพสต์สลิสสสแล้วก็ก็เลยไม่ไม่ทํางานออกงานแล้วก็พอมาปรับปิบากภาวนาระยะหลังๆมาขึ้นก็มีความสุกว่าเราน่าจะไปทางนี้แล้วก็อยากไปแต่ส่วนหนึ่งมันก็ยังดึงกันอยู่ค่ะแล้วก็ใจนึกไม่อยากจะไปทําแต่ว่าความจําเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านก็นเคยเทศ จำเป็นก็ต้องไปทําใช่ไหมทาไมเรามุ่งเอาอะไรการเรียนธรรมะจริงๆมุ่งให้เห็นความจริงว่าขันห้าเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะหลีกจากโลกนะเราไปทํางานหรือเราอยู่ในป่ามันก็มีขันห้าเหมือนกันนะถ้าเราหัดภาวนาเป็นเราก็จเจริญสติอยู่ทํางานไปก็จเจริญสติหลวงพ่อหัดภาวนาเนะี่ยไม่ได้หัดในป่านะ ทรงพ่ภาวนาการเป็นฆราวาสเหมือนพวกเรานี้แหละตื่นเช้ามาสลีตารานไปทํางานเย็นทรงทานกลับบ้านเหมือนกันแหละเดเราก็ภาวนาเนี่ยน่าภาคภัยการเลิกสกปกเนี่ยตอนนี้ยมีความสุขขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนนี้นะเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยการตําหนิตีเตียนตัวเองน เดี๋ยนี้เป็นคนใหม่แนละ้วรู้สึกไหมสวยกว่าเก่าก็ <laughs> คือหนูหนูก็รู้สึกว่ามันแปลกไปอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูจะเต็มไปได้วยความสงสัยมากอืตอนนี้มันก็ยังมีนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับพอลุงก็สงสัยเราก็ดับไปเหมือนกับเวลาเราฟังคนอื่นพูดเราก็จะรู้สึกว่ารู้สึกคิดตามเขาอ่ะค่ะ เราก็จะสงสัยอืมแล้วพอเรามาคิดเรื่องของเราเหมือนกับเรามาคิดว่าจะถามอะไรเราก็เหมือนกับไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันบางครั้งจริงๆนะไม่ต้องถามสภาวะของเราเป็นไงนะเรารู้ไปเรื่อยๆสมัยที่หลวงพ่อภาวนาครูบาอาจารไม่ให้ถามเยอะนะเคยไปถามหลวงปู่สินนะมีอยู่ช่วงนั่งภาวนาแล้วมันหลับรูปเดียวเลยซึ่งไม่เคยเป็นขนาดเดินจงกรมยังเดินหลับเลย ขึ้นไปสามท่านว่าหลวงปู่มันเป็นยังไงเนี่ยมันเกิดอาการอย่างนี้เพราอะไรไปแก้อย่างไงท่านบอกอย่าสงสัยเลยให้ดูไปเถอะเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้แค่นี้หรือภาวนาตอนหัดใหม่ๆเลยภาวนาแล้วก็ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลจิตเป็นอย่างนี้ผมจัดการอย่างนี้จิตเป็นนี้ผมแก่อย่างนี้เก่งมากเลยใจเราโล่มห <c oughs> ลวงปู่บอกว่าพิชมัวแต่ไปยุ่งกับอาการของจิตกลับไปดูใหม่ ไม่ไม่สอนอะไรเยอะถ้าหลกภาพเป็นคนที้สงสัยนะคงภานามไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์จะไม่บอกเยอะยิ่งบอกมากเรายิ่งคิดมากเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบใจถึงถึ ง, ถงนะโตแล้วเรียนรัดสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ได้พูดเล่นเรื่องเนี้ยเราก็จะเห็นเลยความสงสัยมันจะเกิดมันก็เกิดสงสัยแล้วยังไม่ทันหาคําตอบเลยแค่รู้เฉยๆความสงสัยก็ดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดเราดับไม่ได้เรียนเพื่อเอาความฉลาดอย่างอื่นเลยแต่ว่ามันบางทีมันเฉยแล้วก็นิ่งๆเฉยรว่าเฉยมันก็ไม่มีอะไรรู้สึกไหมมันมีคำว่านิ่งมากเกินไปมีคำว่าเกินไปในวงเล็บตอน ไ, ไม่พูดออกมาให้หลวงพ่อได้ยิน มันมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะบางทีหนูรู้สึกมันเฉยเฉยบางครั้งเฉยเฉยดูไปแต่ว่าเวลามีอะไรกระทบมันก็รู้สึกมันไม่ได้เฉยแต่ว่าต้องเวลาปกติอย่างเงี้ยมันมาวัดเลยก็เวลาปกติไม่มีผัสสะเนียมันก็ไม่กระเดือนไม่มีอะไรกระทบมันก็ไม่กระเดือนแะถ้ามีการกระทบแล้วมันถึงจะกระเถือนรู้ไปอย่างเงี้ยเหรอคะสงสัยรู้ไหมรู้ค่ะจบแล้วเล แต่าการท้เที่ยวทีแว่แล้วก็คือซึมกดชื่ อ, อแล้วก็เลยทิ้งรูปแบบไปทั้งหมดเลยก็ก็รู้สึกว่าเบาสบายขึ้นแต่ก็บางช่วงก็หลงงานอหลงงานแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่ารู้ตัวได้บ่อยกว่าช่วงนูน้นค่ะคือช่วง<ต>ที่ส<ะ>ิ่งกดไว้เนี่ยจะรู้ตัวไม่บ่อยอ่ะซื่งอยู่น ะ, ะแต่ตอนที่เราปล่อยเนี่ยช่วงแรกจะรู้ตัวได้ไว แต่ว่าพอนานๆไปนะจะคูฝ้าเ้าหายไปเลยเพราะนั้นมันจะสุดโตงเลยเพราะฉะนั้นถึงช่วงหนึ่งเราก็ทำความสงบเข้ามาถึงช่วงพอสงบแล้วก็ปล่อยแค่ก็ทำงานมันก็จะทำได้พอดีแนละเห็นเกิดดับอะไรพอดีพอนานๆไปชักจะฟูแล้วดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาทำควับสงบเนี่ยต้องดูเหมือนเราลับรถนะ่ะตอนนี้จะต้องเหยียบเบรกตอนนี้จะต้องเหยียบแต่งเล นนรัฒการหลวงพ่อเจ้าค่ะพึ่งมาครั้งแรกนะเจ้าค่ะทุกวันนี้ก็ฝึกดูจิตช่วงลมหายใจนะคะแล้วก็บางทีเผลอแล้วก็ลืมไปบ้างก็รู้สึกไม่จิตใจมันโล่งกว่าเก่าโล่งกว่าเก่ามันมีความสุขมากกว่าเก่าไม่เคยมาใช่ไหมเดี๋ยวเราพูดมากไปเล่าไปมันสบายกว่าเก่าแล้วดีแล้วค่ะดูไปอย่างนั้นแหละดูถูกแล้ว ดูถูกแล้วใช่ไหมคะพอดีหนูเดินบางครั้งค่ะรู้สึกไหมไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่เล่าแบบปรุงสร้างอ๋อใช่ได้เนี่ยดูไฟใช้ได้แล้วดเป็นแล้วขอบคุณครับไปฟังซีดีมาหรือไม่ซีดีหลวงพ่อดีนะฟังแล้วตื่นพฆษนาเส้หน่อยครับการสมาลสมาธิการหลวงพ่อหนะครับเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งแรกจะอยู่ข้างหลังเลยนะครับครั้งนี้ก็ ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเยอะนะครับเพราะว่าได้ฟังซีดีของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าอยากปฏิบัตินะครับที่ปฏิที่ปฏิบัติอยู่เนี้ยคือเป็นพวกนั่งสมาธินธรรมดาแล้วก็ภาวนาไปเร mm. ื่อยๆนะครับก็แต่ก่อนเนี้ยก็นั่งสมาธิแล้วก็ดีแต่ช่วงหลังๆเนี้ยพางานมันเยอะแล้วก็เราก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับหลังๆนั่งแล้วก็จะหลับ ก็จิตก็จะฟุ้งซ่านก็พยายามที่อาจารย์สอนก็คือให้ให้ใ ห, ให้ดูจิตนะครับ<ม>ก็พยายามดูแล้วก็พยายามให้มันรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอรู้ตัวแล้วเกิดแบบพอรู้แล้วสมมติเกิดอาการโกรธขึ้นมานะเราก็รู้ว่ามันโกรธแล้วเราก็โมโหรอบสองอีกว่าไอ้ทําไมถึงต้องโกรธเนี่เนี่ยเรารู้ปัจจุบันแล้วก็รู้โมโหตัวที่สองเนี่ยอย่าไปดูโมโหตัวแรกตัวแรนเป็นอดีต ดูตัวที่สดสดร้อนๆดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยว่ากิเลสเกิดทั้งวันรู้สึกไหมครับแล้วถ้าภาวนาเก่งๆนะแค่ยังอยู่ในที่มืดๆอย่างเงี้ยพอออกไปข้างนอกแดดจะทบตบตาหนี้จะทบโกรดแล้วเราจะเห็นเลยแหมมันช่างโกรดนะโกรดได้ทียิบเลยเพราะนิสัยเราช่างโกดรด ค, คนโกรดเนี่ยดูง่ายภาวนาง่าย <นะ S 1> เป็นอารมณ์ที่รุนแรงชัดเจนใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม อย่าไปบังคับนะครับคืบคอพวกเราจริงๆแล้วเราเป็นคนเมืองแต่ละวันนะเราทํามาหากินเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็เราก็ิเครียดมากเพราะเราคิดทั้งวันเลยทํางานที่ต้องใช้สมองเหนื่อยพอตกค่ําเราจะมานั่งภาวนาเนี่ยแต่เดี๋ยวเดียวก็หลับแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวมันต้องการพักผ่อนแหละดงการภาวนานะถ้าเราคิดแต่ว่าจะต้องนั่งสมาธิ าบางวันเนี้ยทิ้งมันไปนเลยตกค่ำยังมาปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็จะนั่งหลับไม่มีแรง <S <S ชาตินี้ก็ได้แค่นี้เอง <S 1> <S 1> ไม่พอเราต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจำวัน <S <S อย่างเราคุยสมมติคุยกับลูกค้าเราเนี่ยเห็นลูกค้าคนนี้เราชอบนะคนนี้พูดง่ายเห็นคนนี้เราเกลียดหน้ามันท่าทางเรื่องมากอะไรยเงี้ยหรือเราเป็นหมอเห็นคนไข้คนนี้เราชอบเห็นคนนี้เราไม่ชอบ เราเป็นพยาบาลเห็นคนนี้หน้าตาอย่างนี้ควรประสาทเรานะฉีดยาให้หนักหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยนะให้ให้ดูไปเลยนะให้รู้ทันตัวเองในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยพอเรารู้ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันมากๆนะตอนค่าเรามาดูเนี่ยเราจะมีแรงอยู่นะแต่ถ้ากลาวันฟูมาตลอดวันแล้วตอนค่ามันไม่มีแรงจะดูแล้วนะทาสมาธิไม่ไหวงั้นต้องฝึกในชีวิตประจำวันให้ได้นะอ่ะไปถึงไหนละขอบคุณครับ เบอยี่สี่เมื่อกี้หันไปดูเขารู้สึกไหมเบอร์ยี่สี่ตอนที่หันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรลือออกไหมเอออย่างเงี้ยเรียกว่าเผลอไปเรียกว่าหลงเรียกว่าขาดสตินะอย่างเมื่อกี้พอฟังหลวงพ่อพูดแล้วแอบไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหมอย่างเงี้ยเรียกว่ามันแอบไปคิดมันหลงไปคิดะเนี่ยมันหลงไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมหันรู้อย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยเรยรู้สึกไหมใจเราโล่งๆขึ้นมา เนี่ยใจที่มันตื่นเนี่ยเนี่แคือใจที่รู้สึกตัวแหละใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ตรงนี้เป็นผู้คิดและรู้สึกไหมเนี่ยพอรู้ว่าเมื่อกี้คิดจะตื่นขึ้นมาแว๊บหนึ่งแล้วก็ไปคิดใหม่พอรู้อีกว่าเมื่อกี้ไปคิดก็จะตื่นขึ้นมาอีกแป๊บหนึง่งนะเพราะฉะนั้นจิตหนีไปคิดเร้วรู้ไวๆนะนมันจะตื่นทีีหลายไปคิดปุ๊บรู้สึกคิดปุ๊บรู้สึกเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วดูออกยังเออดีหลวงพ่อตัดใจได้หนึ่งคนแล้วอ่ะ เป็นเสื้อแดงเกินครับก็เวลาเราทํางานเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านภาวนาท่เนี้จะถามว่าไอการภาวนาเนี่ยสมมติสมมติเรามีเวลาอ่าจะเวลาจะใช้จะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรอะไรในตัววัด น, นะครับอะไรนะเวลาเวลาในการภาวนานครับทําไมนะสมมย์ถ้เกิดเรามีเวลาเงี้ยโอเควันนี้เลิกเร็วจะนั่งปกตินั่งหชั่วโมง ห, หรือจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราอะไรเป็นตัววัดว่าเราคนนั่งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงคือเราต้องตัดความรู้สึกอันนี้ออกไปก่อนว่าการนั่งเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเราจะคิดว่าตลาดวันเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่นั่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเราจะปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนี้เราแยกการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตออกจากกันอย่างนี้ยังหวังมากผลยากนิดนึงแค้จริงแล้วก็คือเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนะจหลับ ยืนอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกเดินอยู่ก็คอยรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่มีสติอยู่นั่นแหละไม่ว่าปฏิบัติอยู่เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติคราวนี้ตกค่ําเรามีเวลานะเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเราอาจจะอธิษฐานไหมหมายถึงตั้งใจไว้ก่อนว่าทุกวันเราจะต้องนั่งให้ได้นะสิบนาทีสมมติใหญ่ตั้งไปเยอะนะถ้าวันไหนทําไม่ได้เดี๋ยวใจต่อ แต่ว่าถ้ามีเวลาเยอะเราก็นั่งไปเรื่อยๆ เ, เราไม่ได้เลิกนะการปฏิบัติไม่มีการเลิกทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเงั้นตอนนี้ไม่ต้องไปทํามาหากินไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเราก็นั่งดูกายนั่งดูใจของเราไปเรื่อยๆถึงเวลาง่วงนอนแล้วเราก็ไปนอนเราไม่ได้นั่งเอาเวลาหรือเดินจงกรมเหมือนกันบางคนไปตั้งใจว่าเราจะเดินจงกรมสามชั่วโมงเดินไปแล้วก็ดูนาฬิกาไปเดินไปเออหมดไปหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อพอครบสามชั่วโมงอิ่ม อ, อกอิ่มใจว่าวันนี้ภาวนาดีทั้งๆที่ห่วยแตกไม่ได้เรื่องเลยแล้วเราไม่ได้ภาวนาเอาระยะเวลาเราไม่ได้ภาวนาเอาระยะทางด้วยอย่างเดินตรงกลมนะบุงคนตั้งใจจะกลับไปกลับมาให้ได้สองร้อยเที่ยววันนี้ยรีบจ้ำใหญ่เลยเหมือนตามควายนะถ้าสมัยนี้ก็ไม่มีควายให้ตามไม่ไตามอะไรนะเขงวิ่งพอครบสองร้อยเที่ยวแล้วก็ภูมิใจวันนี้ภาวนาดีเนี่ย ภาวนาเอาเวลาภาวนาเอาระยะทางใช้ไม่ได้เราภาวนาเอาสติถ้าเรามีสติอยู่ขณะนั้นปฏิบัติขณะใดขาดสติขณะนั้นขาดการปฏิบัติเฉะนั้นการปฏิบัติกจะขาดการปฏิบัตินี้จะสลับกันผู้คิดผู้คิดผู้คิดอยทั้งวันเลยฉะนั้อย่างตอนนี้ยขาดการปฏิบัติแล้วรู <S <S นะ้สึกไหมไปทําใจทื่อๆขึ้นมาแะ้วนะอย่าไปทําใจให้ทื่อๆอดทนนิดหนึ่งนะเพราะของคุณมันติดสมาธิแต่ติดไม่แรง คุณฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็ปล่อยให้ใจมันทํางานแล้วตามดูมันไปตกค่านะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรต้องทํานะทําให้ได้ทุกวันตั้งสัจจกจักกับตัวเองไว้ส่วนทุกวันจะต้องไหวพ้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ได้เนะี่ยแค่สิบนาทีตรงเนี้ยนแล้วก็ทําให้ได้อย่าเสียสัจจกจักแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ทํามากกว่านั้นก็ไม่เห็นจะเสียอะไรครับ คนนี้ผ่านไปเลยเไปพี่จัดการไปแล้วคือคือหนูได้กับฟังทีวีของหลวงพ่อนะคะยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังจริงจังเลยเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการนั่งแต่ทุกวันนี้คือทุกทุกขณะที่ทำงานแล้วก็คือจะนึกถึงจะพุธททูบางครั้งมีความเครียดก็ก็จ ะ, จะแบบโมโหอารมณ์โกรธก็ขเข้ามาแต่เราก็รู้ว่าเราเริ่มโกรธแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็จะสงบลงแล้วเราก็ จะไม่โกรธอีกจับตรงนี้เวลาเราทํางานไปพอมันโกรธนะเรารู้ว่าโกรธอย่าไปแก้ไขมันไม่ใช่ไปพุดโธให้หายโกรธไปเจริญเมตตาให้ไหายโกรธเรานั่งดูไปซิดูความโกรธเหมือนคนมาเยี่ยมบ้านเรานั่งดูซิเมื่อไหร่เธอจะกลับนั่งดูไปเรยๆก็จะอยู่นานแค่ไหนไม่ไล่มันนะเอย่งถึงจะเรียกว่าปฏิบัติแล้วก็คือเจ็ด ก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติไปไปในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอก็เราไม่แน่ใจว่าเราเดินมารดีผู้ทำไหมเห็นกิเลสลอยไหมนั่นแหละเรียกว่าภาวนาเป็นยิ่งภาวนาเก่งและยิ่งเห็นกิเลสเยอะค่ะเด็กคือเคยคิดว่าตัวเองใจเย็นแต่พอพอเราเริ่มเริ่มทําแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบใช่ เราร้ากว่าที่เราคิดใช่ค่ะนะแต่เดิมเราเห็นแม่มดอยู่ยรอบๆตัวเราค <ฮะ S 2> ่ะอพอนาแล้วแม่มดมันอยู่นี่เองอนะใช่ค่ ะ, <c oughs> ะก็เลยแบบคือรู้ว่าไม่ต้องไปดูคนอื่นให้ดูตัวเองอืเราดูคนอื่นนะเพื่อยัว่วให้ใจมันเส้นไหวค่<ฮ>ะเนะี่ยอย่างเราคุยกับคนนี้ปุ๊บใจเราโกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันว่าโกรธรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปแก้่ะแก้นะแล้วก็อย่าไปจ้องไว้ก่อนห้ามจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ รู้แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขรู้ลูกเดียวครู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างนั้นบังคับไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปคุณจะขอกันบ้านนะคะฮะเอาแล้วเหรอมึ่งถามอาจารย์ครั้งแรกเห็นกิเลสบ้างไหมเห็นบ้างะเห็นบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีบางครั้งก็เห็นความคิดผ่านใจหไปคิดอะไรเนี้ยให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะ ยิ่รู้ทันวใจหนีไปคิดได้ยิ่งเก่งมากเลยเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมจิตเราไปพร้อมใหม่ให้เรารู้ทั น, นไปอีกแล้วรู้สึกไหมหลวงพ่อไม่ตอบคําถามตอนที่ถือไม่อยู่รู้สึกไหมหลวงพ่อรอให้ปล่อยไม่ไปก่อนเนีใจหนีไปคิดแล้วทราบไห ม, มาเมื่อกี้เนี่ยมันไหลไปแว บ, บไปมันลืมตัวเอง เวลาที่มันหลงไปนะัมันจะลืมกายลืมใจมีกายเหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีหายไปเลยเ น, นี่ยตอนเนี้ยลืมไปแล้วรู้สึกไหมมันไปรู้เรื่องที่คิดสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังได้ไม่กี่ประโยคไม่กี่คําสลับไปคิดฟังไปคิดไปดูออกไหมเนี่ยไปคิดละหนึ่งเนี้ยให้หัดดูไปได้เลย น, นะดูเล่นๆอ่าวเบอร์กา นามส ก, กานค่ะหลวงพ่อวันนี้มันง่วงซึมมาค่ะแล้วก็มีเพงมีประคองดีแล้วงานหญิงมีแล้วหญิงค่ะคือเมื่อเดือนกว่าที่ครั้งที่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจิตปลงร้องเบาสบายใช่ไหมคะกลับไปบ้านก็ดีอยู่สองสามวันแล้วคำพูดของพระอาจารย์นี่มันก็อยู่ในใจเราเราอยากจะรักษาตั ว, ตวนั้นไย แล้วมันก็มีการกระทาอะค่ะใช่ล้วก็ทงเลยใช่ค่ะเราก็เลยโลภโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยค่ะมันมันมีกิเลสขึ้นมาแล้วก็รู้ไปไม่ต้องแก้ไขค่ะทีนี้ว่าสัปดาห์นี้มันง่วงมากเลยค่ะมันเป็นเรื่องของกายหรือเปล่าคะเป็นเรื่องทางใจเหรอคะมันง่วงอย่าไปฝืนมันอย่าไปว่ามันด้วยให้มันง่วงไป อ๋อมันง่วงจนแต่เช้านี้นั่งรถมานะคะพรอาจารมันง่นวงแล้วเราก็อยากจะหลับเราก็พยายามเพ่งอะค่ะเพ่งขมเขาให้หลับเราก็เห็นไอ้ตัวเพ่งตรงจิตที่หนักๆแล้วแต่หัวมันโขกกระจกป๊อกป๊อกย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกก็กลับมามันเหมือ น, น, นมันคละส่วนแล้วคนละส่วนกันแสดงว่าร่างกายหลับไปแล้วแต่จิตยังก็ยอมจิตยังเพ่งอยู่คนั่นแหละดีแล้วฝึกไปไม่ต้องไปแก้หรอก นะรู้ไปบางครั้งเวลาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจิตมันจะเบื่อหน่ายในโลกรู้สึกโลกนิรันดรานะมันจะน้อมเข้าหาความสงกมันจะน้อมลงไปเบื่อพอ เ, เบื่อมากๆนะน้อมเข้าไปหลับเข้าไปนอนนิ่งๆอยู่นะให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไปหลับได้ไหมคะได้สิมันง่วงมากก็ไปหลับเออ ง, ง่วงก็หลับไปพักสักครู่นึ่ยถึงยังไงมันก็จะหลับ ไปฝืนๆใช่ไหมร่างกายก็หลับไปก่อน<ฆ>ว่าใจเรายังฝืนอยู่เรื่อยๆใจก็เลยไม่ได้หลับนแต่ว่าจงใจจะให้หลับก็จะไม่หลับหรอกใช่เห็นมบั<ฆ>งคับไม่ได้สักอย่างเดียวสมน้ําหน้านาะขอขอโทษค่ะสลวงพ่อคะทีนี้พอดีว่ามีคนเคยบอกว่าหนูเนี้ยเพ่งมาเยอะอะนะคะ<ฆ>พอเวลาโกรธเนี้ยเริ่มโกรธเราจะไม่เห็น มันโกรธแรงแล้วเราถึงจะเห็นแล้วเราก็จะไม่ทานนะค่ะก็รู้สึกว่าปีสองปีมานี้เราโกรธแรงจริงๆค่ะที่เราโกรธแรงนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บกดเวลาที่เราเจริญสติเราไม่เก็บกดเอ้ยิ่งคนไหนเก็บกดมานานเพ่งมานานเนะี่ยเวลาตกรธจะโกรธรุนแรงเหมือนต้มน้ําร้อนนะแล้วอุดลูกไม่ให้ไอาน้ําออกจากกา ตอุดมากกาน้ําระเบิดเลยแต่ว่าตอนนี้เราปล่อยแล้วเราเห็นแหน่เดือดปุ๊บปั๊บปุ๊ปบปั๊ปบฝากระโดดไปกระโดดมานะไม่มีแรงดันทีนี้ว่ามันก็ไปกระทบกระแทกคนในครอบครัวหือศีลห้าไว้ทางใจไม่เก็บปวดแต่ทางกายทางวาจาอย่าให้ล้นออกมาไม่ทันไม่ทันก็ก็รู้ว่าไม่ทันนะไม่ทันแล้วเสียใจรู้ว่าเสียใจ อ่ะไปดีนะภาวนาได้ดีแล้วใช้ได้เลยล่ะเดี๋ยวหลวงพ่อชมเดี๋ยวกลับบ้านแย่ออีกอ้าวจัดัดเป็นไงส่งยังเป็นไงเดินคล่องยังคล่องครับคือถ้าไม่เดินเดินมันก็จะไม่เดินเดินเดินไปเดี๋ยวมันก็เดินเก่งไปเองครับเล่นบอลได้ยังไม่เล่นครับคือแม้เป็นตัวอย่างนะ แข็งแรงนะยังหนุ่มๆแข็งแรงอยู่อยู่รถชนเอาเฉยๆเดินไม่ได้ตั้งหลายเดือนงั้นดีว่ายัางภาวนานะถ้าไม่ได้ภาวนาอาจจะประสาทกินไปเลยเสียอกเสียใจรุ่มใจอย่างนี้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นยังเอามาดูได้บ้างเราก็จะเติบโตขึ้นรู้สึกไหมชีวิตไม่แน่นอนรู้สึกยังครับ <c oughs> ถ้าเราเราถูกรถชนคราวนี้แล้วเราก็ได้เห็นความจริงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเลยนะ ความตายใกล้เคียงเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราได้ความไม่ประมาทมาถูกลดชดยคราวนี้ก็คุ้มแล้วล่ะคุ้มใช่ไหมครับหลวงพ่อคุ้มสิอย่างน้อยเราก็รู้แล้วใช่ไหมใครเป็นใครรู้จักใช่ไหมเรารู้จักแล้วว่าใครเป็นใครเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนจริงจริงคนไหนไม่ใช่อะไรเงี้ยอื ใ, ในเวลาที่เราสบายนะเรารู้จักคนยากนะนเวลาเราลําบากเรารู้จักคนได้ง่ายนิดๆ ประโยชน์ทางโลกนะประโยชน์ในทางธรรมะ ก, ก็คือเราได้เห็นแล้วว่ามันประมาทไม่ได้ชีวิตกับความตายนี่คับเกี่ยวกันอยู่นิดเดียวเราไม่มีเวลามากไม่ใช่ว่าเราหนุ่มๆแล้วเราจะไม่ตายพอเรามีความไม่ประมาทแลเราก็ขยันดูไปเรื่อยๆนี่เป็นกําไรนะเป็นกําไรที่สําคัญเลยแต่หนุ่มฝึกช่วงที่ผ่านมาก็เข้ามาเสื่อมเลยะเนี่ยเสื่อมแล้ ว, วนะก็ดูไปบังคับไม่ได้เรายัางฝึกไว้น้อยไป ถ้าฝึกไ้เยอะกันนี้เราก็จะเห็นเลยร่างกายมันทุกข์ทรมานใจมันเบิกบานโอ้ขามันเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> เมื่อก่อนนะมีคุณป้าคนหนึ่งรู้จักกันชื่อป้ตุป้ตุโควินทักษะตุเนี่ยเคยอุปถัมภ์หลวงปู่เทศแกทำอาหารเก่งแกรู้ทำครัวถวายหลวงปู่เทศตลอดเลยตั้งแต่ท่านไปอยู่จันทบุรีนะ เจอที่สันท บ, บุรีก็ไปอุปถัมภาาอยู่ท่านไปอยู่ภูกเก็ตก็ตามไปท่านไปหินหมักเป้งไปบุกเบิกหินหมักเป้งอะไรก็ตามท่านไปเลยอยู่กับท่านมาเรื่อยๆต่อมาพอแก่เนี่ยเป็นเบาหวานล้มลุกทุกคลา น, น <ะ S 2> เดินเดินก็ล้มอะไรเงี้ยต่อมาเบาหวานเป็นเยอะขึ้นไปตัดนิ้วเท้าไปตัดหนึ่งนิ้วโอ้ไม่โป้งคนก็ไปเยี่ยมแกก็โชว์เท้า ดูสิหมดเป็นหนึ่งแล้วนะสามารถุตักขึ้นมาอีกะคนไปเยียบ น, ออนิ่วหัวเราะอีกนะนี่เนียหมดพาราไปอีกข้อนหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ตอนวันจะตายนะมันจะตายอยู่โรงพยาบาลลุกไม่ได้แนะล้วลุขึ้นอยากได้รูกหลวงปูเทศลูกหลานมาตั้งไว้ที่หัวนอนมองไม่เห็นอนะ่ะแกมองไม่เห็นเพราะว่า ไม่ได้ตั้งไว้ที่กลายเท้านี่ใช่ไหมตั้งหัวนอนไม่เห็นตอนแก่ตายเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าแะตายตอนไหนพยาบาลหรือคนเฝ้าไม่ได้อยู่แตนน่นะแต่ตอนที่แกตายแล้วเนี่ยนะปรากฏว่แกเอารูปหลวงปู่เทสมากอดไว้ได้ไปเกี่ยงสกายขึ้นไปเอามาได้นะแล้วตายอยู่กับการภาวนาเยใจผูกอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับธรรมะรู้กายลงไปเห็นกายนี้เจ็บปวดจิตใจสงบตั้งมั่น ายได้อย่างสง่าผ่าเผยมากเลยนี่เขาภาวนามามากภาวนามามากเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นนะจิตใจร่าเริองอา้าวคิดยอดคิดยากวันนี้เป็นไงเมื่อกีง้ง่วงครับฟังนิทานแล้วเตืนเนี่ยคราแต่ก่อนต้องเทศชาดกมีนิทานช่วงช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีโทสะแรง ญาติดูเรื่อยๆมีโทสะก็รู้ไปเราเพิ่งจะเป็นหนุน่มหรือเ่าเมื่อก่อนนั้นมันเด็กตอนนี้มันตัวจริงๆนะมันโผล่ขึ้นมาเยอะเลยดูไปเรื่อยๆมีโลภะแรงๆดีญาติมีหน้าที่รู้นะรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะจิตมีโทสะเรื่องของจิตจิตมีโลภะก็เรื่องของจิตแต่เราไม่ทํากรรมชั่วเพราะโลภะเพราะโทสะนั้นนะเมโลภะโทส่า้อมจิตไม่สิด โลพาจะมาโทษาจะมาก็ต่างคนต่างอยู่ประจิตไม่เกี่ยวกันให้ฝึกไปแล้วมีความสุขครับเ<อ>นี่ตอนฝึกแนะโลพาแทบจะจับเบิร์ดเลยมัน <c oughs> สึกทำไม้โว้ยเ <c oughs> สียดายขยันภาวนาตั้งแต่เด็กๆขยันดีจังออย่าใจฝ่อนนะมันสึกไปแล้ว <c oughs> สึกแล้วเป็นคาร ว, <c oughs> วานก็ต้องทําเอานะ <c oughs> วันนี้นั่งๆอยู่กัก็ชอบจ้าออกมาข้างนอกๆดีแต่ไม่จ้ามากไม่เป็นไรเป็นเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นคราวที่แล้วหลวงพ่อมาอบอกสภาวะให้ฟังแ่ก่อนมันจ้าเยอะกวันนี้เยอะเลยก็เลยพอจะเห็นแล้วว่าอ๋อมันจ้ายอย่างนี้เองอตัวจ้านําเป็นโมหะอย่างไม่โมหะเป็นชื่อกิเลสนะกิเลสหยาบๆมันมืดๆ ม, ม, ม, มัวๆนะกิเลสพละเอียดขึ้นนะสว่าง แตกอ่ะไปเฮ้ยเมื่อไหร่จะหมด <c oughs> คือคือปฏิบัติสมาธิมาครับแล้วก็สพักเริ่มเอาเอาตัวรู้เนี่ยครับเข้าไปนั่งอ๋อเข้าไปดูด้วยเพราะว่ า, วานั่งสมาถ่านแล้วมันจะมีความมีเรื่องอะไรมหาทานมาผ่านาพอผ่านมาเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้เสร็จกระตุกบางทีก็พอเรื่องใหญ่ๆมามันจะกระตุกค่อนข้างแรงะครับเลยอยากถามว่ามัน คืออะไรหน่อยหน่งก็เลิกแรกแรกมันคอนทราสต์รุนแรงระหว่างรู้กับหลงนะคอนทราสต์แรงเหมือนกระตุกคือทางจิตเนี่ยพอรู้สึกตัวทีแรกแรกมันหมมันคอนทราสต์รุนแรงแต่พอรู้สึกตัวบ่อยๆมันก็ไม่รุนแรงหรือเวลาเราทําสมถธิหันใหม่ๆเวลาจิตรวมรู้สึกไม่รุนแรงพอทําชำนี้ชำนาญแล้วรวมนิ่มๆเหมือนกันอะแล้วก็ท่าท่ามกับ บางทีบางทีในที่ทางานนะครับมันไม่ได้ตามรู้ครับแต่มันแค่เห็นเฉยๆครับเออแค่เห็นนั่นแหละดีแล้วก็เห็นเท่าที่เห็นได้เพียงแค่เห็นเฉยๆโดยไม่ต้องตามรู้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปตามมันให้มันเกิดแล้วก็รู้เองตรงที่มันเกิดแล้วรู้เองเรียกว่าตามรู้ไม่ต้องไปเที่ยวไล่ตามนะถามเรื่องสว่างเมื่อกี้ครับของพี่เมื่อกี้อะไรนะของพี่คนเมื่อกี้ที่สว่าง ขอ ผ, ผมก็เป็นเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันไหมครับไม่เหมือนกันเราตั้งมั่นกว่าจิตตั้งมั่นมากกว่าเขาไ ม, ไมเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วคือไม่ไม่ต้องทํำอะไรมันใช่ไหมครับเฉยๆไปไม่รู้ทันเลยตามรู้ไปตามรู้นะไม่ใช่ไปดักรู้นะไม่ใช่ไปดักรอรู้ว่าจะมีอะไรให้รู้ให้สิ่งต่างๆให้สภาวะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาสิ่งจะ่เรียกว่าตามรู้ถ้าไปดักรู้ใจจะแน่น ไม่มีความสุขถ้าตามรู้ใจจะโล่ ง, ลงสบายดูอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆของคุณติดสระคองไว้นิดหนึ่งตัวรู้เด่นชัดดีแต่อย่าไปติดระคองตัวรู้แน่นเกินใจไม่ดีนะปล่อยให้มันหลงบ้างรู้สึกไห้ตัวรู้หายไปเป็นตัวหลงนะดูอย่างเงี้ยตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับรู้สึกหมจิตมีปีติขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ทันใช่ไหม ตัวรู้เกิดแล้วก็ดับจิตเกิดจิตติขึ้นมาแล้วก็รู้ทันจิตติก็ดับไปละตอนนี้รู้สึกไหมจิตติดับเนี่ยใครรู้ทุกอย่างที่เขาเคลื่อนไหวจิตติเขาก็เกิดเองเขาก็ดับเองเราแค่รู้เท่านั้นตอนนี้แอบไปคิดอีกละไปดูนะจิตมีสองอันมีจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดไปดูเรื่อยสลับกันไปด้วยตอนนี้เป็นจิตผู้คิดแล้วไปฝึกตรงนี้นะไม่ใช่ฝึกเอาจิตผู้รู้นะ แต่ไปฝึกให้เห็นว่าจิตผู้รู้ก็ชัวว่วคลาลจิตผู้คิดก็ชัวว่วคลาลไปฝึกตรงนี้ให้มันสลับกันยิ่งบ่อยยิ่งดีฝึกไปแล้วมันเกิดอารมณ์อยาก บ, บวชประมาณนั้นไหมครับแล้วอยากบวชยังบวชไม่ได้ะอยังบวช ด, ด, <laughs> ด, ด้วยความอยากอยู่ <c oughs> มีบางคนจะขอบวชจะทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมดแล้เจ้าเอ๋ใ <laughs> ช่ไหมหลภาพ่อบอกให้ไปอยู่บนถ้ำคนเดียวนะอยู่ในป่าใน่ําอยู่คนเดียวภาวนาดูใจตัวเอง วัดใจเสร็จแล้วเลยควรผมอย่างเดียวแต่อยู่บ้านนะ <c oughs> บอกอาบวัได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> เมื่อกี้หลงไปละเบอร์หกนึกออกไหมใจหนีไปคิดแล้วลืมตัวเองไปให้หลงไปแล้วรู้ว่าห ล, ลงดีกว่าจ้องเอาไว้แล้วไม่หลงเลยจ้องเอาไว้แล้วไม่หลงเลยเนี่ยติดเพ่งไม่ดีเนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมพอเราหลงเรารู้ว่าหลงแล้วใจจะค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นถ้าเพ่งไว้แล้วใจจะทื่อๆใช้ไม่ได้ เนี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมผู้รู้หายใช้ได้ฝึกดีอ่ะได้อีกหนึ่งคนะหนูก็ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทําถูกหรือทําผิดนะคะทําเป็นิดหนึ่งกิเลสเกิดบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็บางทีก็เห็นบ่อยบางทีก็ทั้งวันผ่านไปก็เพิ่งจะเห็นน้อยไปหน่อยนะอย่ามักน้อยอย่างนี้แค่เห็นกิเลสบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีใค่ฝึกไปอย่างนี้แหละ รู้สึกไหมตอนเนี้ยแก้งทําใจให้ทื่ๆไม่ไม่รู้สึกใจมันนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมไม่ทําอันนี้ตรงเนี้แหละไม่ดีตรงนี้ติดสมรรถติดเพ่งติดบังคับติดกำหนดติดประคองติดควบคุมบางที่เหมือนกับว่าพอรู้ว่าคิดไปปุ๊บมันก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอมันจะมีสามสภาวะต่อกันอันนึงหลงไปคิดอันที่สองรู้ว่าหลงไปคิดตรงเนี้รู้ถูกต้องแล้ว อันที่สามกลัวจะหลงนะั้นเลยกลับมาเพ่งใส่ลมะเป็นการเพ่งอันแลกเผลอไปคิดอันที่สองรู้อันที่สามเพ่งลมงหในใจ ไ, ไม้มีเผลอกับเพ่งเผลอกับเพ่งเป็นความสุดตรงสองด้านรู้ว่เป็นทางสายกลางดงนั้นต้องเผลอไปบ่อยแล้วก็รู้ว่าเผลอนะรู้ถ้าเพ่งก็พยายามเผลอไปมันจะได้หายเพ่งตรงเนี้ยดีกว่าเมื่อกี้ใจโล่งขึ้นมารู้สึกไหมอย่างเพราะเราไม่ได้ทําอะไร แต่ถ้าเราจงใจปฏิบัติจะแน่นแน่นขึ้นมาอะให้คนนึอ่ะเดี๋ยวจะเสียใจหลวงพ่อนะสงสารอย่างนี้แหละบางทีตัวเงหมอกไปเลยนะตอนนี้ติดซึม น, นิดหน่อยครับหลวงพ่อแต่ว่าข้างในมันสว่างแต่ว่าแค<ช>่เห็นตัวที่ซึมเออตัวที่ซึมเนี่ยตัวโมหะนะสัังกอยงกอกนนรู้ไปได้อๆอย่าไปเกลียดมันแต่ว่าปกติก็จะติดตามรู้ะะอะฮะ คือมันยังชอบที่จะตามรู้ไปเรื่อยๆต้องตามรู้ถูกแล้วมันชอบภาคหรือเปล่าก็มันตามรู้หรือมันตามภาคมันตามรู้ฮะแล้วก็บางทีมันก็จะหลุดออกมาเอแล้วมันก็จะตั้งมั่นอยู่พักนแล้วพอมันก็จะตามรู้อีกเพราะว่าใจมันชอบพี่ยาอามใจมันไหลไปดูใช่ไหมไหลไปรู้โน่นไหลไปรู้นับอันนั้นไม่เรียกว่าตามรู้อันนี้เรียกว่าหลงไปรู้ใจมันหลงไปรู้โน้นรู้นี่นะ พอใจมันหลงไปแล้วเรารู้ว่าหลงไปเนี่ยเรียกว่าเราตามรู้นะได้แค่นี้นะโยมเดี๋ยวขอคุยกับละนะ